คืออยากเสพผัสสะอันเจอด้วยกิเลสอันใดแล้วไม่ได้เสพอย่างใจนึกก็อาจเป็นเหตุให้เกิดโทมนัสได้ส่วนผู้เจริญสติปัฏฐานจนเห็นความเกิดดับแล้วย่อมปราถนาความหลุดพ้นเมื่ออยากหลุดพ้นแต่ยังหลุดพ้นไม่ได้ย่อมถามตัวเองว่าเมื่อใดจะหลุดเล่าเช่นนี้เองพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นโทมนัส